สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามครับคําอุปมาตอนที่สองเรื่องแผ่นดินสวนรรค์พี่องครับในพระธรรมมัทธิวเดิมนั้นเราอยู่ในบทที่เจ็ดนะครับแล้วก็ข้ามมากระโดดมาจนถึงบทที่สิบสามครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ต่อนเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของคําสอนครับคําสอนหรือคําตรัสของพระเยซู ตรัดบนภูเขานะครับก็คือบทที่ห้าหกเจ็ดแล้วก็พอมาบทที่สิบสามก็จะเป็นคำตรัสเกี่ยวกับการอุปมานะครับหลังจากบทที่สามเป็นต้นไปเราก็จะพบการอุปมาหรือคําอุปมาที่พระเยซูสอนเมื่อวานนี้ผมได้ พ, ไพูดไปแล้วนะครับว่าคําอุปมานั้นก็คือเป็นเรื่องราวลึกลับนะครับที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับ เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของแผ่นดินสวรรค์โดยพระงสอนให้ง่ายขึ้นเพื่อเพราะพระองค์ใดหนึงสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เป็นการเปรียบเทียบกันครับเพขันขับโอมานั้นจึงมีความหมายค่อนข้างจะลึกซึ้งครับเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เข้าใจผมได้บอกหลักการสี่ข้อนะครับเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วในเช้าวันนี้ครับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในมัทธิวบทที่สิบสานะครับข้อสิบถึงข้อสิบเอ็ดสองข้อ ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าฉันไนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคําอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทงโปรดให้ท่านหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้พียงนะครับคําอปมานั้นทําให้เราเรียนรู้ว่า mm hmm. พระเยซูกําลังอธิบายถึงลักษณะของแผ่นดินสวรรค์ว่าเป็นยังไงนะครับอปมานี้นะครับทรงชี้วิบายว่าแผ่นดินสวรรค์นั้น เหมือนกับคนที่กําลังหวานพืชครับหวานมเมล็ดพืชแล้วก็ตกบนในดินสี่ชนิดนั่นนะครับคือตัวอย่างของคําอุ ป, ปมาเกี่ยวกับลักษณะของแผ่นดินสวรรค์หรือผู้ที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ความหมายของคําอุ ป, ปมาณี้นะครับเราทั้งหลายจะต้องพิจรารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามีความหมายต่ อ, อการเจริญเติบโตและการพัฒนาฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของเราได้นะครับในความคิดหรืออุปนิสัย หรือชีวิตธรรมดาปกติของคนที่รูนั้นเวลาเขาเรียนรู้เขาชอบเรียนรู้ในลักษณะความคิดที่นํามาใช้หรือความคิดที่เป็นไปได้เป็นการง่ายครับที่จะฟังพระเยซูแล้วเข้าใจชัดเจนเพราะพระเยซูเปรียบเทียบสิ่งต่างๆแบบง่ายๆและใช้สีทีเขาคุ้นเคยเพื่อที่จะทําให้เขาได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ที่ยากๆนะครับถ้าเขามีภาพในสมองของเขา ที่เขาเลิกภาพออกเขาจะสามารถเชื่อมโยงความหมายที่พระเยซูสอนกับสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นได้เพียงครับในสมัยแรกของการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นพงศักดิ์แบบง่ายๆครับถึงแม้ว่าพงศ์จะใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้คําว่าเปรียบเสมือนนะครับแต่เมื่อพงศ์อธิบายเรื่องการไถ่บาปกับหญิงชาวสมาเรียพี่น้องคงจําได้นะครับแล้วก็ คำว่าทุ่งนาก็เหลืองอล า, ามพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วท่านก็เห็นภาพครับว่าทุ่งนามันเลื้ยงครับข้าวสาลีที่ปลูกในแผ่นดินปาเลสไตน์หรือที่กาลิลีนั้นก็พร้อมที่จะรับการเก็บเกี่ยวนะครับและเมื่อพองศัดกดิ์กล่าวพวกของพงศว่ายังมีคนที่คอยฟังเรื่องการไถ่บาปและจงเป็นคนจับคนอย่างจับปลานี่เห็นภาพใช่อีกเหมือนกันครับว่าเราจะต้องพยายามที่จะจับปลาให้ได้ เพื่อที่เอาปลานั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงวิญญาณของคนที่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังยังไม่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ตัดกับผู้ดิจการพระองค์ถึงงานรับใช้ของเขาในเรื่องการไถ่าบาสนี่ครับก็คือเรื่องของการจับคนอย่างจับปลานะครับหรือมโหคลไปศีนั้นซึ่งเป็นผู้นำศาสนาแต่พวกธรรมจารเริ่มท้าทายพระองค์พรง ก, ก็เริ่มตัดเป็นคําอุปมาครับเมื่อทรงสั่งสอนฝูงชนเป็นปนั้นมากผู้นำศาสนาเหล่านี้ ก็ปฏิเสธพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูทรงอธิบายถึงคนเหล่านี้ในบทที่สิบสามของพระธรรมมัทธิวนะครับก็คือคนพวกที่ท้าทายพระเยซูพวกที่ไม่ยอมรับสิเทียงหน้าของพระเยซูผู้ผู้นำศาสนาพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีครับสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในพระคัีตอนนี้นะครับซึ่งจะอธิบายแล้วเราจะเข้าใจก็คือว่าพระเยซูบอกกับพวกเขานะครับว่าคนพวกที่ ไม่ตอนรับเปเยซูคนพวกที่ท้าทายพระเยซูคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิเทมหนาาแห่งการสอนของเปเยซูนั้นเปเยซูบอกว่าชนชาติของคนเหล่านี้นะครับกลายเป็นคนที่มีใจเฉื่อยชาหูของเขาก็ตึงตาของเขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและจะเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมา และเราจะได้รักษาเขาให้หายนี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสถึงพวกเขาครับเพราะเนื่องจากเขามีใจใจเฉืยชาครับหูก็ตึงตาเขาปิดพี่น้องครับถ้าหากว่าเขาไม่มีใจเฉืยชาหูเขาจะเปิดออกและตาเขาจะเปิดออกเขาก็จะเห็นด้วยตาครับเขาก็จะได้ยินด้วยหูและี้จุดเขาก็จะเข้าใจและเขาจะกลับมาและได้รับการรักษาคือได้รับความร้อนเองครับพี่น้องครับ ถามว่าแผ่นดินสวรรค์คืออะไรแผ่นดินสวรรค์คือแผ่นดินที่พระเจ้าได้มาตั้งอยู่ในโลกเองแผ่นดินสวรรค์จริงๆอยู่บนสวรรค์ครับแต่เป็นสวรรค์ที่จะเข้าใจได้ในโลกก็คืออาณาเขตหรือขอบเขตหรือแผ่นดินของพระเจ้านะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า kingdom ก็คือพระราชอาณาจรรักรนะครับเราอยู่ในประเทศไทยนั้นเราเข้าใจเรื่องนี้ดีครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นใช้คําว่า Kingdom ออฟไทยแลนดนะครับขิงด้อมออฟไทยแลนด์าดชาอาณาจักรไทยหมายความว่าครับหมายความว่าแผ่นดินไทยนี้อยู่ภายใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ภายใต้การปกครองขอ ง, ของกรรษัตริย์ครับเพราะฉะนั้ น, แ ผ, นแผ่นดินทุการางนิ้วมีองค์พร ะ, ะมุกเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันครับแผ่นดินสวรรค์เจ้าของนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้าของเรา จรงคับแผ่นดินสวรรค์ยังหมายถึงบัญญัติของพระเจ้าที่ปกครองเหนือผู้ที่เข้ามาในแผ่นดินสวรรค์และผู้ที่เข้ามาในแผ่นสวรรค์นั้นก็จะเข้ามาได้โดยทางความเชื่อและความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์ผู้นี้เป็นผู้ที่นําหรือผู้เบิกบุกเบิกทางให้เราเข้าสวรรค์ตรงรงสิ้นพชนม์บไม้เข็นและเป็นขึ้น่อหมายความตาย เพืุ่กคนที่เชื่อและไว้วางใจจะไม่ทิ่หน้าแต่มีชีวิตที่รันในแผ่นดินสวรรค์นี้พี่น้องครับขอให้เราเชื่อและไว้วางใจนะครับมีความศรัทธาและยึดมั่นความศรัทธานี้ไว้จนเราจากโรกนี้ไปจิตวิญญาณของเราและในที่สุดรวมทั้งร่างกายของเราซึ่งเป็นกายใหม่ที่เรียกว่ากายคลิปนั้นก็จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้เพื่นอนครับแผ่นดินสวรรค์นั้นหมายถึงแผ่นดินจริงๆนะครับที่อยู่บนสวรรค์ในเวลากัน ก็หมายถึงการครอบครองของเจ้าการปกครองของเจ้าที่อยู่เหนือผู้เชื่อทุกคนผู้เขียนกิติคุณบางคนก็ใช้คาว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนกันนะครับ Kingdom of God กับ Kingdom of Heaven นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแผ่นดินสว่างกับแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้าได้อยู่อยู่เหนือชีวิตของพวกเราโรงทรงครอบครองจิตใจของเรา เพื่อที่แผ่นดินสวรรค์นั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราเราทั้งหลายอาศัยอยู่ในโลกนี้นะครับเราเป็นตัวแทนของโปร่งเป็นตัวแทนของชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้ครับพี่น้องคงจาได้นะครับว่าพระเยซูสั่งว่าเมื่ออยู่ในโลกนี้ให้เราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกและแสงสว่างของโลกครับพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงแผ่นดินสวรรค์นะครับเราทั้งหลายมีความหวังใจเราทั้งหลายมีความสุขครับเพราะว่าเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ในขณะเดียวกันครับแม้ว่าโลกนี้มีความทุกข์ยาก แต่เรารู้ว่ามีวันหนึ่งครับเราเป็นชาวสวรรค์เราจะได้กลับไปสู่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนของเราที่เป็นชาวสวรรค์นั่นเองโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูได้ทรงสอนเรื่องแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์เป็นเรื่องยากครับแต่พระองค์ก็ทําให้ง่ายให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์อุ ป, ปมานะครับและอุ ป, ปมารแรกนะครับก็คืออุ ป, ปมาในเรื่องของผู้หวานพืชครับนะครับ ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรร ม, มวัตถุบที่13ข้อ1ถึง17ครับผมขออนุญาตใช้ว่าดินใจนะครับดินใจสี่ชนิดนะครับโปรดฟังโตรน่าของพระเจ้าวัตถุบทที่13ข้อที่1ถึงข้อ17ในวันนั้นพระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเลสา์มีคนเป็นนั้นมากมาหาพระองค์มากนะักพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือ และบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัส ก, กับเขาหลายประการเป็นธรรมอุปมาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชแต่เมื่อเขาวานมเมล็ดขึ้นก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีปูหินและมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไป บ้างก็ตกลงกลางหนามต้นห น, นามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดพี่น้องครับผมจะแบ่งเวลาสักนิดนิดเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะแยกพงร์ทีตอนนี้และคำอธิบายออกเป็นสองวันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้จุดมุ่งหมายของคาอุบายนี้นะครับก็คือ เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูจะต้องตรัสับตรสัสคำอุป ม, มาเพราะว่าพระเยซูไม่โปรดให้คนเหล่านั้นที่ต่อต้านพระเยซูรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับก็จะมีคำถามว่าทำไมพระเยซูจึงไม่ปรารถนาให้เขารู้นะครับมัทธิวก็ยกในพระธรรมอิสยาห์ครับอิสยาห์บทที่หกข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบครับความว่า ปิยาจกล่าวดังนี้นะครับพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจแต่ดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าคนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงตาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายพี่น้องครับเนื่องจากใจของเขาเฉื่อยชาครับ เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เพราะเขาปิดหูครับสอนไปนะครับเขาไม่ได้ยินหรอกครับให้เขาเห็นนะครับแต่เขาก็เหมือนกับคนตาบอดมองไม่เห็นเขาปิดใจใจเฉื่ยชานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนยิวในสมัยนั้นครับก็คือพวกฝริ่งเพวกธรรมจารย์พวกที่ไม่ต้องรับพระเยซูท้าทายพระเยซูนี่คือคําตอบว่าทําไมพระเยซูจึงไม่ให้เขารู้นะครับ ยิ่งไปกว่านั้นครับในข้อสิสองครับบอกว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาโดยกับที่นี่บอกว่าแต่ละคนนะครับมีทุนไม่เท่ากันครับแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะว่าขอให้มีใจครับมีใจิตใจที่เปิดออกนะครับเราก็จะไปถึงเป้าหมายที่เปเยซูตั้งให้กับเราแต่ละคน นะครับเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าทุนเราสูงนะครับเราเปิดใจแน่นอนครับเราก็ไปได้ใจแต่ในทางกลับกันครับคนที่ไม่มีนะครับหมายความว่าไม่มีใจครับซึ่งเขามีอยู่ก็ต้องเอาไปจากเขาหมายความว่าในที่สุดนั้นเขาจะไม่เหลืออะไรเลยครับพี่น้องครับในข้อสิบหกพระเยซูตรัสว่าในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินถามว่าได้เห็นอะไรครับได้เห็นใครครับ คำตอบก็คือพวกสาวกครับได้เห็นพระเยซูครับหูของเขามีพระคอเป็นสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ยินคาสัตย์ของพระเยซูพี่น้องครับเราทั้งหลายนะครับได้เห็นพระเยซูไหมครับคงจะไม่ได้เห็นพระเยซูด้วยสายตาเนื้อหนังของเราเราไม่ได้ยินพระเยซูด้วยหูของเรานะครับแต่เราได้ยินพระเยซูได้เห็นพระเยซูโดยการอ่านโคจนะของพระเจ้าครับการอ่านโคจนะของพระเจ้าทําให้เราเห็นพระเยซูนะครับ และได้ยินที่พระเยซูตรัสในข้อสิบเจดซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้พระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพี่น้องจําได้ไหมครับผมเคยอธิบายว่าถ้าพระเยซูพูดว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหมายความว่านี่เป็นความจริงแท้และเป็นการเน้นของพระเยซูครับเน้นอย่าง ม, งมากๆของพระเยซูพระเยซูบอกว่าไงครับบอกว่าผู้เยผยพรชนะและผู้ชอบธรรมไปนั้นมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขาไม่เคยได้เห็น และอยากจะได้ยินซึ่งทั้งหลายได้ยินแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินพี่น้องครับตรงนี้นะครับสามารถที่อธิบายได้อยู่สองแบบด้วยกันแบบแรกก็คือพระเยซูกํำลังบอกกับพวกสาวกครับในสมัยนั้นเลยครับผู้ที่เห็นพระเยซูด้วยตาได้ยินพระเยซูด้วยหูบอกว่าคนที่อยู่ก่อนหน้าพวกคุณพวกท่านนั่นแหละนะครับก็คือผู้โอยเนนะี้ยและผู้ชอบทำเยอะแยะในอดีตนะั้นอยากจะเห็นวันนี้ครับแต่เขาไม่ได้เห็น แต่พวกท่านเนี่ยได้รับพระคุณมากเลยครับพวกเขาก็คือหมายถึงว่าพวกสาวกได้รับพระคุณมากได้เห็นครับพี่น้องครับเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับเราก็ได้เห็นครับแต่แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นด้วยตาครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงพระเยซูนะครับด้วยหูแต่ว่าเราได้ยินพระเยซูได้เห็นพระเยซูผ่านพรชะชนะของพระเจ้าก็ยังได้พระพรมากกว่าผู้เผยพระชนะและผู้ชอบธรรมในสมัยโบราณ ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องที่จะรักโอษณะของพระเจ้าที่จะอ่านโอชนะของพระเจ้าที่จะศึกษาพระคำพีเพื่อที่เราจะรู้จักและเรียนรู้จากพระเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน